จากหัวข้อจนมุมแต่ไม่สิ้นหวังจึงขออัญเชิญพระวจนะให้มาถึงพวกเราทั้งหลายในวันนี้ซึ่งปรากฏในพระธรรมสองโคลินบทที่หนึ่งข้อสามถึงข้อสิบเอ็ดความว่า ด, ดังนี้สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคิดมากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพร ะ, พระคิดก็มากฉันนั้นที่เราทนทุกข์ยากนั้นก็เพื่อท่านจะได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อให้ท่าน ได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเพียรสู้ความทุกข์เหมือนอย่างที่เราได้ทนนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราฉันใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชีย ซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่ชวยเราต่อไปอกีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณพระเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากขอองค์พระผู้เป็เจ้าได้ทรงโปรดอํานวยพระพรให้พระพ จ, จน์ ข, ของพระองค์นั้นอยู่ในความคิดคําพูดและการกระทําในชีวิตของเราทุกคน สวัสดีครับพี่น้องครับในเดือนนี้อย่างที่ท่านศิบาลได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเป็นเดือนแห่งการเข้าสู่ธรรมจริงๆแล้วเราก็เริ่มเทศกาลเข้าสู่ธรรมตั้งแต่วันที่สิบกุมภาพันธ์แล้วนะครับเดือนแห่งความรักแต่ว่าเราไม่เพียงแต่รักแบบที่ชาวโลกเขาได้เน้นเรื่องความรักกันเท่านั้นแต่เรารักในองค์พระเยซูคริสต์ในขณะเดียวกันในความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ก็กระทําสิ่งหนึ่ง เพื่อเราทั้งหลายนั่นก็คือพระองค์ยอมทนทุกข์เพื่อเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราอาจจ ะ, ะเผชิญกับปัญหาเผชิญกับการขัดแย้งความทุกข์และมันก็ทำให้เกิดความท้อใจที่หลายๆคนระบบมันต้อแต้เหลือเกินนั่นนะครับลิงปีนี้ปีวอกลิงก็ถือลูกท้อ คนทั่วไปเขาบอกอุ้มันช่างท้อตั้งแต่เดือนม ก, กราคมตั้งแต่ต้นปีพี่น้องครับความท้อแท้ใจมันไม่เคยเห็นแก่หน้าใครไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ฐานะสูงชนชั้นวันหน้ใดก็ตามหรือแม้กระทั่งผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากต่างก็เคยผ่านกับความท้อใจและยิ่งกว่านั้นครับคนที่ประสบความสําเร็จมากก็เผชิญกับความท้อใจมาก เพราะว่าเขายิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่ความสูงนั้นก็เป็นการเสี่ยงที่จะทำให้เขาตกลงมาและเจ็บและล้มเหลว อ, อาจารย์พอลโลเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่มีอุปนิสัยที่เข้มแข็งรับใช้อย่างกล้าหาญแต่ท่านเองก็กล่าวว่าเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งเรา ทำให้เราหนักใจเหลือเกินจนเราเกือบจะหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้นั่นแสดงว่าอาจารย์เปโโลเองก็เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมามากมายเหมือนกันและท่านเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของตนเองไว้ได้ในกามือในสองโครินบทที่12บบทที่11ข้อ 23- ถึงนั้นเราพบว่าอาจารย์เปโโลติดคุก ถูกโบยตีเกินขนาดถูกเครียดห้าครั้งครั้งละสามสิบเก้าพี่น้องก็คูณเข้าไปว่าท่านจะรับกี่ครั้งถูกตีด้วยตะบองสามครั้งถูกก้อนหินขว้างพูกพจนภัยเรือแตกสามครั้งลอยคออยู่ในทะเลหนึ่งวันหนึ่งคืนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพจนภัยทางน้ำทางทะเลพจนภัยในป่าพจนภัยในบกเผชิญกับ ภัยกับของพี่น้องชนชาติดียวกันถูกพี่น้องทรยศอดหลับอดนอนอดอาหารหิวกระหายเปรอยกายและหนาวอยู่นั่นคือสิ่งที่ท่านเผชิญอาจารย์ปรโลโมีสิทธิ์ที่จะสบายครับไม่ต้องถูกภัยปวยภัยต่างๆเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่เรียกท่านและท่านไม่มีการตอบสนองและห่วงใยต่อพี่น้อง นั่นเองในจริงเป็นภาระที่หนักอึ้งในชีวิตของท่านอาจารย์โปรโเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นโครินฉบับที่สองและเราเชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือฉบับที่สามเพราะว่าฉบับที่สองนั้นมีหลักฐานว่าหายไปนะครับท่านได้อ้างว่าได้อ้างถึงการเขียนจดหมายถึงขึ้จักเมืองโครินแต่หนึ่งฉบับนั้นหายไปท่านเขียนมาเพื่อจะ เนื่องจากว่าท่านเองเป็นผู้ที่ก่อตั้งคริสตจักรเมืองโครินหลังจากที่ท่านได้ตั้งเสร็จแล้วอยู่กับพวกเขาเมื่อท่านเดินทางในการประกาศต่อไปนั้นปรากฏว่ามีความยุ่งยากมีความปัญหาเกิดขึ้นท่านจึงเขียนจดหมายมาเพื่อให้คริสตจักรอภัยให้แก่คนที่สร้างปัญหาและรับเขาคับกลับเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเหมือนเดิม ท่านต้องการอธิบายการเปลี่ยนแผนการในการเดินทางที่ท่านต้องมาเยี่ยมพวกเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนเวลาที่กำหนดไว้ท่านต้องการยืนยันสิทธิของการเป็นอัครทูตของท่านเนื่องจากว่าหลายคนได้บอกว่าท่านเป็นอัครทูตปลอมท่านยืนยันว่าท่านได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าและท่านทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่าใครๆท่านต้องการหนุนใจให้คริสต์จัก มีส่วนในการถวายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องในกิจักในแคว้นเอเชียในแคว้นยูเดีย2โครินจึงมีคำเลวาลมใจมีคำหนุนใจมีคำชูใจอย่างมากมีหลายครั้งและในคำนามนั้นท่านใช้ถึง11ครั้งในตอนนี้และคำกิจยาอีก18ครั้งตลอดทั้งเล่มนี้เปาโลท่านได้กล่าวว่าแต่ว่าเรามีค่า เรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้ท่านเห็นว่าฤทธิ์อันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมณะเราถูกคมเห็นแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายทำให้ท่านได้รับความชูใจ เปโรมีเคล็ดลับอะไรครับแท้ที่จริงเมื่อพระราชนะตอนที่ผู้ปกครองได้อัญเชิญมาแล้วนั้นเราได้เห็นเคล็ดลับนั่นก็คือพระเจ้าเองดังที่ท่านได้กล่าวในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบสามข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าให้เรามาเรียนรู้เคล็ดลับของอาจารย์เปโรและบทเรียนที่เราได้รับจากพระราชนะของพระเจ้าในตอนนี้ประการที่หนึ่ง เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความชูใจนี่คือเคล็ดลับของอาจารย์เปโลพระเจ้าทรงเป็นความชูใจของท่านท่านเริ่มต้นด้วยการสรนเสริญพระเจ้าการสรนเสริญพระเจ้านั้นเป็นการละความสนใจความจดจ่อที่อยู่กับตัวเองหันไปมองดูถึงความยิ่งใหญ่พระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ชีวิตของอาจารย์เปโล และของพวกเราการสั่นเถรพระเจ้านั้นเป็นองค์ประกอบทําให้เรามีชัยชนะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนจุดสนใจจากปัญหาเปลี่ยนจากความทุกข์นั้นไปสู่พระเจ้าไม่ว่าทั้งในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอดีตเราก็จะเห็นพระคุณของพระเจ้าปัจจุบัน เราไว้วางใจในพระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันและอนาคตนั้นเราก็ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นและการสั่เสริญพระเจ้านั้นก็ทําให้สถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเหมือนกับคําอธิษฐานเราพบว่าอาจารย์เปโโลได้สรัรเสริญพระเจ้าว่าสาธุการแด่พระบิดาแห่งพระเยซูกิจเจ้าของเราสั่เสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระเยซูกิจ ที่ท่านได้ไว้วางใจเราเองสามารถเรียกพระเจ้าได้ว่าพระบิดาคุณพ่อโดยทางของพรีสคริปต์สามารถเข้าใกล้ชิดพระองค์ในชนะที่เป็นบุตรหลายคนอาจจะนึกภาพของการที่นั่งในตักของคุณพ่อเด็กๆนั่งอยู่ตักคุณพ่ออยู่ในตักของคุณแม่ความใกล้ชิดสนิทสนมพระเจ้าทรงเห็นเรา ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์เราอยู่ในพระเยซูค e ร so ิสต์และพระองค์ทรงรักเราอย่างที่ทรงรักพระเยซูค e ร so ิสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในพระเยซูค e ร so ิสต์พระองค์ก็จะทรงกระทำในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเป็นสิ่งเราเป็นผู้ประเสริฐในสายตาของพระบิดาของพระเจ้าและพระองค์ก็จะทรงดูแลเราให้ความกดดันนั้นที่มีเกิดขึ้นนั้นเราสามารถ ผ่านและมันไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของเราอาจารย์โปโโลสันเสริญพระเจ้าว่าพระบิดาผู้ทรงความเมตตาบิดาคือต้นกำเนิดแหล่งกำเนิดซาตานเป็นพ่อแห่งการมุสาลักษณะของมันก็คือโกหกใส่ร้ายให้ร้ายทำการเป็นปรปักอิจฉาขัดแยง้งฟ้อง มันขัดแย้งกับสิทธิอํานาจของพระเจ้ามันไม่เห็นด้วยกับสิทธิอํานาจของพระเจ้าและขณะเดียวกันลูกของสตานก็เป็นลูกแห่งความมืดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับพ่อของมันและเป้าหมายของสตานก็คือแยกคนออกจากพระเจ้าบรรพายเพื่อจะไปสู่นรกแต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาเป็นคุณพ่อแห่งความเมตตาความรักกรุณาเมตตาสงสารเข้าใจยกชู พระเมตตาของพระองค์นั้นมีมากมายและไม่มีสิ้นสุดเหมือนพระธรรมบทเพลงข้าครวนบทที่สาพระเมตตาคุณของพระเจ้านั้นไหลมาทุกทุกเช้าเป็นของใหม่อยู่เสมอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างความชูใจในที่นี้มีความหมายว่าช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเสริมเรียวแรง อาจารย์เปโลใช้ในตอนนี้สิบครั้งนั่นแสดงว่าท่านเองก็ต้องการที่จะรับการเสริมเรี่ยวแรงเสริมการชูใจเพื่อว่าผู้ที่รับนั้นก็จะได้รับความชูใจเช่นเดียวกันเพื่อในพระเยสคกิจเจ้านั้นพระท่านจึงชูใจ ใช้คำว่าชูใจซึ่งตรงกันข้ามมีความหมายที่ดีกว่าคำว่าเห็นอกเห็นใจคำว่าเห็นอกเห็นใจนั้นดูเหมือนดีแต่ไม่ได้กระตุ้นให้เรานั้นได้เติบโตขึ้นแต่กลับให้อ่อนลงพระเจ้าไม่ได้รูปหลังลูกๆของพระองค์ขณะที่พระเขาเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทั้งหลาย หรือเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกอมลูกขณะที่ลูกรองแงร้องไงองห้ให้ลูกอมไปเดี๋ยวลูกก็หยุดแต่ลูกไม่ได้เผชิญกับความเข้มแข็งแต่พระเจ้าทรงชูกำลังเราเพื่อให้เรารเผชิญกับการทดลองการทดสอบและมีชัยชนะที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงชูใจเราทางไหนครับพระวจนะของพระองค์ ทางการส ม, มิคีธรรมกับผู้เชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราทุกคนนั้นพระองค์กระตุ้นเตือนให้เราเชื่อฟังพระองค์ให้เราที่จะมองถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเป็นการง่ายที่เราจะหลายๆคนจะมองที่ตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งและโจมตีสถานการณ์หรือว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างเหล่านั้น หรือบางครั้งเราก็มองผู้อื่นในความทุกข์ที่เขาเผชิญหลายๆคนมีความทุกข์ที่หนักกว่าคนนั้นก็จึงมีความสบายใจเหมือนกับสติกเกอร์ที่เราส่งในไลน์ว่าไงครับเอาที่สบายใจแล้วกันเพราะเรามองปัญหาของอื่นแล้วทาให้ตัวเองนั้นอ๋อความทุกข์ของเรานั้นก็มีน้อยกว่าเขาเราก็สบายใจ แต่ตรงกันข้ามครับองค์พระเยซ์เจ้าพระเจ้าทรงให้ความชูใจนั้นเกิดขึ้นกับเราโดยที่เรามองที่พระองค์ด้วยความเชื่อและมั่นใจในพระองค์ว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งชีวิตของเราอาจารย์ประโลจึงกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากําลังสุดทรงไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจําเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีทาวรหาที่เปรียบไม่ได้นั้นให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและพระองค์จะส่งนําพาเราไปประการที่สองครับรอแรกคือเรียนรู้พระเจ้าทรง เป็นผู้ชูใจเรารอที่สองครับให้เรารับความชูใจจากพระเจ้าเพื่อชูใจผู้อื่นอาจารย์เปโลได้กล่าวว่าที่เราทนความทุกข์ยากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้รับความชูใจและความรอดนั่นเพื่อเห็นแก่พี่น้องในโครินอาจารย์เปโลจึง กลับไปหาพวกเขาก่อนเวลาที่ท่านได้ตั้งเอาไว้และท่านเองไม่มีความไม่สบายใจเนื่องจากจนหมายฉบับหนึ่งของท่านนั้นที่ได้ส่งไปเพื่อแก้ไขปัญหานั้นกล่าวด้วยคำที่รุนแรงท่านจึงรีบกลับไปเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นพระเจ้ามีพระคุณเสมอในความทุกข์ยากลาบากนั้นพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราทุกคนเพื่อประโยชน์แผ่นดินของพระเจ้าและประโยชน์แก่ตัวเรา ผมชอบใจในการอบรมเมื่อต้นเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาวิทยากรท่านได้พูดยกตัวอย่างของธนบัตรและภายในเดือนสามสิบวันที่ผ่านมาผมได้ยินสามครั้งเกี่ยวกับคุณค่าของธนบัตรไม่ว่ามันจะถูกขยี้มันจะถูกทิ้งถูกขยำแต่ว่าธนาบัตรนั้นถ้าบน บนในทบตรนั้นเขียนว่ามีเงินเท่าไหร่มันก็มีคุณค่าเท่านั้นตอนที่ผมเคยเทำงานใหม่ผมพักอยู่ข้างนอกขณะที่เดินทางกลับไปหอพักทางขยะของกทมสีเขียวใบให ญ, ใหญ่ผมก็เห็นขยะก้อนหนึ่งมันวางอยู่บนถังนั้นทั้งถังและขยะก้อนนั้นสีเดียวกันสีเขียวผมมองไปอา้า ไม่ใช่ขยะนี่เป็นเงินยี่สิบบาทผมก็หยิบมามันก็ซื้อน้ำซื้ออะไรได้ยี่สิบบาทแม้ว่ามันจะอยู่ที่ขยะแล้วพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราและในคุณค่าในที่เรามีอยู่นั้นก็เพื่อจะเป็นพรไปสู่ผู้คนอีกมากมายที่เขาเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกันกับเราหรือความทุกข์ยากลาบากที่ ต่างกับชีวิตของเรานั้นเปาโลบอกกับเราว่าเราไม่จำเป็นต้องประสบกับการทดลองเหมือนกันทั้งหมดเพื่อเราจะชูใจคนอื่นได้แต่เพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ในความชูใจของจากพระเจ้าให้กับคนอื่นนั้นเพียงแต่ว่าเรารับน้ำพระัยของพระเจ้า เรามีประสบการณ์เราก็จะสามารถชูใจและให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้อาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เปาโลเองท่านมีหนามอยู่ในชีวิตของท่านในร่างกายของท่านอาจจะเป็นเรื่องของสายตาที่ท่านได้ขอต่อพระเจ้าตั้งหลายครั้งท่านบอกว่ามันเป็นหนามในชีวิตของท่านท่านขอพระเจ้าแล้ว แต่มันก็ไม่หลุดออกจากกายของร่างากายของท่านนั้นแต่ท่านก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะประสบกับอย่างไรก็ตามพระเจ้าบอกกับท่านว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะมีความอ่อนแอความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีเต็มที่นั่นเหตุ <S <s <chuy ển> ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริเดชของพระคริสต์ จะอยู่ในข้าพเจ้าเราทุกคนมีความอ่อนแอแต่ในความอ่อนแอนั้นพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์เป็นพระพรการทุกทนทุก ข, ของเราในฐานะเป็นลูกของพระเจ้านั้นหลายๆลยครั้งเข้าใจยากแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้ามีพระประสงค์และน้าพระทยัยให้เรารเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางครั้ง มันอาจจะเป็นการปกป้องเราไม่ให้ทำผิดต่อพระเจ้าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการเตือนสอนของพระเจ้าที่เราทำผิดและกระบดต่อพระองค์แต่ความทุกข์ยากลำบากนั้นสามารถสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับเราได้โรมบทที่ห้าข้อที่สี่เพราะว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนนั้นก็ทาให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงใช้การเราได้ในการสัมมนาที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่หัวข้อก็คือล้มแล้วเลิศไม่ได้ล้มแล้วเลิกล้มแล้วเลิกเลิศล้มแล้วเลิศเลิกนะครับภาษาไทยบางทีก็ติดกันนะล้มแล้วเลิก คือการล้มไปข้างหน้าล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ในโอกาสที่ให้ในที่สัมมนาให้มีการถามคําถามต่อวิทยากรคําถามนี้ก็จี้ใจผู้วิทยากรนะครับผู้รับฟังบรรยายพี่น้องหลายท่านหลายๆคนไปของเราไปที่นั่นวันนั้นนะครับเขาถามว่าท่านบรรยายเรื่องนี้เรื่องความล้มเหลว แต่ท่านเผชิญกับความล้มเหลวมาบ้างหรือยังนะครับวิทยากรสองท่านเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ของท่านให้ทั้งสองคนท่านหนึ่งได้บอกว่าท่านมีความเจ็บปวดในชีวิตของท่านเหมือนกันขณะที่ท่านเป็นสีหบานนะครับวันหนึ่งเป็นวันลช่วงเวลาของครอบครัวท่านพาครอบครัวไปรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นของท่าน ได้พูดขึ้นมาระหว่างอาหารที่กําลังมีความสุขเขาบอกว่าหนูท้องค่ะมันเป็นคำที่เจ็บปวดให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ภรรยาของท่านนั้นพูดอะไรไม่ออกหน่าสีดชอ็อกได้แต่นั่งมองหน้าลูกสาวน้ำตาคอเบา้ขาขณะเดียวกัน ความเงียบงันนั้นก็เกิดขึ้นในโต๊ะรับประทานอาหารและท่านเองก็อธิษฐานในใจแล้วก็โอบลูกสาวไว้และพูดกับเขาว่าพ่อรักลูกพ่อยินดีที่จะเป็นพ่อของเด็กคนนี้เราต้องรักษาชีวิตของเขาเพราะว่าพระเจ้ามีน้ําพระทยัยที่จะให้เด็กคนนี้เกิดมา และเมื่อเด็กคนนี้คลอดท่านก็รับไว้เป็นลูกเลี้ยงดูเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้าฝึกให้ท่องพระคัมภีร์นำไปทุกที่ที่ในการรับใช้แต่แม่ของเด็กคนนี้ทั้งที่เป็นลูกของเสียธิบานก็ยังไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงเธอหันไปใช้ยาเสพติด อาจจะด้วยความกลุ้มใจอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่จนระยะเวลาพอสมควรการอธิษฐานที่มีในครอบครัวความอดทนที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นเด็กคนนี้ไดอ้อยู่ในทางของพระเจ้าและแม่ของเขาก็เลิกยาสิบติดอย่างสิ้นเชิงในเดือนกรกฎาคมมีการสัมมนาอีกครั้งหนึ่งเด็กคนนี้จะมาในที่สัมมนาพี่น้องที่รักครับ ในความทุกข์ใจปัญหาที่เรารเผชิญหลายครั้งเมื่อเรามองคนอื่นปัญหาของเรานั้นอาจจะน้อยกว่าผู้อื่นให้เรานั้นที่จะเรียนรู้น้ำพระใจของพระเจ้าและให้อุปสรรคปัญหานั้นเป็นพรและเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันประการที่สมครับอีกรอหนึ่งนะครับรั้งความ หวังใจไว้ในพระเจ้าเรียนรู้รับรังรังในที่นี้ผมขอใช้ความความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานนะครับคาว่ารังที่แปลว่าเฝ้าระวังรักษาให้เราเฝ้าระวังรักษาความหวังใจของเราไว้ที่พระเจ้าพระเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้การทดลองนั้นเกิดขึ้นกับเราทุกทุกคนไม่เว้น ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดสมาชิกผู้เชื่อใหม่ผู้ปกครองมัคขันยกคณะสิบบานในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าให้การทดลองนั้นเกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้เข้าถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้มันมีความหมายว่าทำให้เรานั้นรู้สึกขับแคบจากัด ถูกกดดันในสถานการณ์ที่ยากเย็นแสนเข็นอาจารย์ปรโลเองท่านถูกใส่ร้ายถูกทําให้กล่าวหาว่าทําให้เกิดความวุ่นวายท่านถูกขนาบรอบข้างแต่พระวจนะของพระเจ้าที่ท่านท่านได้เขียนไว้นั้นที่ได้อ่านแล้วนั้นคือก็ไม่ได้สิ้นหวังจนมุมแต่ไม่สิ้นหวัง ทางเดียวที่ท่านทำและถูกบังคับเลือกก็คือว่ามองขึ้นไปข้างบนเลิกไว้ใจตนเองไว้วางใจในฤทธเดชของพระเจ้าไว้วางใจในการทรงนาของพระเจ้าผู้รทรงฤทธานุภาพสูงสุดยอมรับสถานการณ์ในที่เกิดขึ้นนั้นสำหรับลูกของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับไม่มีอะไรบังเอิญ ไม่เหมือนอสนีและวสันที่ร้องเพลงบังเอิญบังเอิญติดดินแต่ในลูกของพระเจ้าไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วสำหรับเราทั้งหลายเราเพียงแตเ่เรายอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะทรงหนุนใจเราเมื่อเรารเผชิญกับความตกต่าผมไม่รู้ว่าพี่น้องอาจจะทาธุรกิจแล้วขาดทุนสินค้าขายไม่ออก ลูกคาเบี้ยวพี่น้องถูกหักหลังถูกโกงถูกเจ้านายไม่จ่ายเงินถูกบีบให้ออกตกงานเจ็บป่วยครอบครัวยุ่งเหยิงขัดแยง้งอะไรอื่นๆที่ทำให้เราทุกข์ใจพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องสถิตอยู่กับผมสถิตกับเราทุกคนและพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเราไว้และพระองค์ทรงควบคุม เราไว้ได้สถานการณ์ของเราไว้ได้เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยน้ําตาก็ได้พระองค์ไม่ได้ดูถูก ว, ว่าน้ําตานี้มันอ่อนแอการอธิษฐานด้วยน้ําตานั้นทําให้พระเจ้าทรงฟังและการอธิษฐานด้วยน้ําตานั้นทะลุทะลวงกําแพงทุกอย่างพระเรยซูกิตเจ้าขณะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั้นพระธรรมฮีบรูได้บทที่หข้อที่7ได้บอกว่าพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์นั้น พระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้าตาไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ได้บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงัตั์ธม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถู ก, ถกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงให้มีทางหลีกเลี่ยงได้เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ขอบคุณพระเจ้าเราจะมีกาลังทนได้ยอกอบบทที่หนึ่งข้อสาข้อสี่ก็ได้กล่าวว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบนรรลุผลอันบริบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนั่นคือการทดสอบของพระเจ้าเป็นการทดสอบเหมือนกับการถลุงเหล็กเราก็จะได้เหล็กกล้าที่สามารถใช้งานได้พระธรรมสรุดีบทที่46สข้อหลายท่านท่องได้ จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประว ช, ชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกและบทที่46ข้อหนึ่งได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยเป็นกำลังของคาบโพรงทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากและพระธรรมตอนที่เราได้ใข้ควรด้วยกันนี้ได้จบลงที่ข้อ11 ได้บอกว่าขอให้ท่านอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากให้เราอธิษานเพื่อซึ่ง ก, การและกันครับอาจารย์เปโลเข้มแข็งขนาดนี้ท่านก็ยังปรารถนาที่จะรับคำอธิษฐานจากพี่น้องในโคริน ให้เราอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันให้อภัยแก่กันและกันเพราะว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลให้เราละความกระวนกระวายของเราไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายเราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าสถาน ก, การณ์ยากลาบากอาจจะเกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดขึ้นเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตหรือเกิดขึ้นจาก มนุษย์พระธรรมสดุดีบทที่37กษิตกริยัดาวิดได้กล่าวถึงความทุกข์ยากลำบากและแผนการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็ได้กล่าวว่าอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะควรชั่ววางแผนกระทาชั่วผมชอบเลขสองตัวนี้เมื่อเราเอาสลับกันส7บดและเจ็ดสบสาม เจ็สิบสามนั้นเป็นคำตอบว่าแล้วคนที่วางแผนชั่วร้ายนั้นก็เขาลม้มลงในความพินาศในแผนการของเขาเองและพระเจ้าทรงวางเขาไว้ในที่ลื่นและลม้มลงเพียงคลิปตาเดียวการเหตุการณ์สยดสยองนั้นนำกวาดกวาดเขาไปอย่างสิ้นเชิงดา น, นียอลเป็นคนหนึ่งที่ ต้องถูกกลั่นแกล้งจากช่องว่างของกฎหมายการตรากฎหมายที่ไม่ชอบธรรมและท่านเองก็ถูกโยนเลยลงในถ้ำสิงโตที่มีความหิวกระหายไม่มีใครที่รอดพ้นจากถ้าสิ่งนี้ได้แต่ดานเนียนและเพื่อนของเขานั้นผ่านถ้านั้นถ้าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงปิดปากของมันและแล้ว คนที่ฟ้องท่านนั้นก็ถูกจับโยน์ลงไปในถ้มสิงแทนตัวท่านและไม่เหลือซากเมื่อคนเหล่านั้นตกไปในถ้มสิงหรือโมเรเดใครกับชาวยิวในสมัยของเปอร์เซียที่ถูกวางแผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์คนที่วางแผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นก็ถูก ต้องมาจูงม้าเพื่อให้เกียรติแก่โมระเดไัและชายคนนั้นก็ถูกแขวนไว้ที่ตะแลงแกงที่เขาเตรียมไว้เพื่อจะแขวนคอโมราเดไคพระเจ้าทรงช่วยกู้ผู้ที่รักของพระองค์ให้ผ่านสถานการณ์ที่แย่ๆ แ, และพระองค์ทันเสมอพระองค์ทันเวลาเสมอ พราพเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราแม้ว่าเราจนจะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากเพราะว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นเราได้ร่วมกันกันกบชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์อาจารย์ปารโลได้กล่าวว่าสาธุการแ ด, พรพรด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าผู้ทรงความชูใจทุกอย่างเสียอธิบาลอีกขั้นหนึ่งที่ผมค้างไว้เมื่อสักครู่ ท่านเป็นสีหบานหนุ่มจบมาไม่นานแต่การรับใช้ของท่านเกิดผลขณะที่คิีจักกำลังเติบโตวันหนึ่งเป็นเวลาเย็นวันหนึ่งเป็นเวลาที่ท่านได้พักผ่อนอยู่ในบ้านพักแล้วมีสมาชิกจำนวนหนึ่งมาที่หน้าบ้านเรียกท่านมันเป็นความชื่นใจนะครับถ้าสมาชิกจะมาเยี่ยมสีหบานแต่ขณะที่ท่าน ออกไปต้อนรับพวกเขานั้นเขาไม่ยอมเข้าบ้านเขาบอกว่าอาจารย์พวกเราจะมาบอกอะไรกับอาจารย์อย่างหนึ่งอาจารย์ครับพวกเราขอให้อาจารย์คืนทิจจักนี้ให้กับพวกเราและขอให้อาจารย์ลาออกเสียกลุ่มสมาชิกเหล่านี้สูญเสียอำนาจสูญเสียมวลชนและ เขาปรารถนาที่จะนำขีจับกลับไปสู่มือของพวกเขาดูเหมือนว่าชีวิตของท่านนั้นล้มเหลว อ, อย่างสิ้นเชิงเป็นเหมือนการถูกตบหน้าอย่างแรงท่านด้วยความท่อมใจท่านยินดีลาออกอธิษฐานคุณขอการทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าให้ท่านมีสถานที่ใหม่ไปเปิดขตจับภายในสิบปีปรากฏว่า คริสจักรเดิมนั้นก็ยังมีสมาชิกไม่ถึงร้อยเหมือนเดิมแต่คริสจักรใหม่ที่ท่านไปเปิดนั้นมีสมาชิกมากกว่า5้ารอคนและมีคริสจักรลูกอีกหลายๆคริสจกักรในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะถึงเทศกาลเข้าสู่ธรรมขอภัยช่วงเวลาของช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเราเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเยซูกิตเจ้าเรียนรู้ที่จะเป็นพรไปสู่ผู้อื่นให้เรารู้ว่าสถานการณ์ทั้งสิ้นในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์เมื่อเราจนมุมเราจึงไม่สิ้นหวังเพราะว่าความหวังทั้งสิ้นของเรานั้นอยู่ในพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐาน แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาขององค์ปรีศุดพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างโปรดให้กับพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจน้ำพระัยของพระองค์เพื่อทั้งหลายจะดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์โปรดอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายให้พระวัชนะของพระองค์นั้นได้เกิดผลในชีวิตของครับพระองค์ทั้งหลายผู้ที่มีความเหน็ดเหนื่อยท้อใจ ขอพระวิน ญ, ญาม์โดยสุดของพระองค์ทรงเล่าลมแต่ต้องเนื้อชีวิตของทุกคนเพื่อคราบองหลายจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูกิเจ้าอามนขอบพระเจ้าเอ๋ยผ่อครับ